ข้อต่อไปก็บอกก็อย่งางไรภิกษุจึงจะชื่อว่ามีความดําริไม่ขุนมัวนะีเรียกว่าคิดแล้วใจฝุ่นด้วยคือเรียกว่าคิดแล้วใจไม่ขุนเหมือนนเถอะท่านไม่ดําริในกามเป็นเหตุให้ใจขุนใช่ไหมไม่ดําริ ด, ด้วยความพยาบาทไม่ดําริดในความเบียดเบียนเพราะฉะนั้นอกุศลวิตตกชุกชนิดผ่าหันละได้หมดเกลี้ยงไม่มีส่วนเหลือ ก็อย่างไรพิสูจจึงจะชื่อว่ามีกายยะสังขารอันระ ง, งับแล้วพิสูในพระธรรมวินัยนี้บรรลุจตุทชานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละทุกขละสุขดับโสมนัตโทมนัตก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อย่างนี้แลพิสูชื่อว่ามีกายยสังขารอันระ ง, งับแล้วกายยสังขาร น, นี้เป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเพราะในการที่จะระ ง, งับกายยสังขารได้ก็คือด้วยการเข้า จตุทถชานจึงจะระงับลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้นะเข้าชานสีนั่นแหละกายสังขารเนี่ยระงับด้วยจะตุทถชานนะวจีสังขารระงับด้วยทุติยชานวจีสังขารเป็นชื่อของวิตกวิจารวิตกวิจารนี้จะต้องระงับด้วยทุติยชานส่วนกายสังขารเนี่ยดับด้วยจะตุทถชานถ้าจิตตาสังขารดับด้วยอะไร ดับด้วยนิโรธสมาบัติเนี่ยนะสังขารสนะทัวในครั้งหนึ่งกายวจีสังขารละด้วยวิทุติยะฌานกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกเนี่ยละด้วยจตุทชฌานส่วนจิตตะสังขารคือสัญญาและเวทนาเนี่ยนะละด้วยนิโรธสมาบัติเนี่ยนะสัญญาเวทายิตนิโรธนั่นเองนั้นคำว่ามีกายะสังขารอันระ ง, งับในที่นี้ท่านว่า เข้าฌานสีได้สบายอย่างตถาคตสายญาติเนี่ยนะการสายญาตของพระตถาคตเนี่ยคือการเข้าฌานสีนะไม่ใช่ว่าหมายถึงโอ้โหเผลงงี้ปรับไปเลยนี่ไม่มีเข้าฌานสี่ที่ตถาคตสายญาตเนี่ยคือการเข้าฌานสีเพราะฉะนั้นเห็นพระพุทธรูปนอนที่ไหนนะนึกถึงฌานสีไว้ก่อนนะฮะพระองค์ก็เขา้าในอิรยาบทแบบนี้โดยมากพระองค์เข้าฌานสี่อยู่ ของปุถุชนทั่วไปเนี่ยนั่งเข้าอะไรเข้าพะวงหลับยาวเลยนะี่นี่ต่อไปว่าภิกษุนะอย่างไรจริงจะชื่อว่ามีจิตหลุดพ้นดีแล้วบอกว่าจิตของภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พ้นแล้วจากราคาโทสะโมหะอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่ามีจิตหลุดพ้นดีแล้วคือไม่มีใจใดที่ประกอบไปด้วยราคานะราคานี่หมายถึงอะไรโลภะมูลจิตแปด ทันจิตของท่านไม่มีโลภะมูลจิตแปดโทสะนี้เกิดร่วมกับโทสะมูลจิตสองเนี่ยนะทันจิตที่เป็นโทสะมูลจิตเนี่ยไม่มีหรือโมหะมูลจิตทั้งสิบสองดวงเนี่ยนะโมหะมูลจิตนะเพราะอะไรจิตที่เป็นอกุศลทั้งสิสองมีโมหะเป็นมูลหมดเลยเพราะนั้นพระอรหันต์ไม่มีจิตชนิดนั้นอีกแล้วเพราะนั้นจิตของท่านหลุดพ้นจากราคะโทสะและโมหะโดยสิ้นเชิง ก็อย่างไรภิกษุจึงจะชื่อว่ามีปัญญาหลุดพ้นดีแล้วพิสษจนในพระธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดว่าราคะโทสะโมหะอันเราละได้แล้วมีรากอันเราเนี่ยถอนขึ้นแล้วกระทาให้เป็นดุดต้นตาลอันไม่มีที่ตั้งกระทําให้ไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละพิสูจนชื่อว่ามีปัญญาอันหลุดพ้นดีแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้หมายถึงปัจจเวกขณะยานข้อสิบเนี่ยสุดท้ายเนี่ยหมายถึงปัจจเวกขณะญาน ท่านมีปั จ, จเจกขณะยานพิจารณาทบทวนว่าไม่มีอารมณ์ใดเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะอีกเลยเนี่ยนะซึ่งจากต่างจากปุตุชนทั้งหลายเนี่ยนะคิดหาอะไรที่มันพ้นราคะโทสะโมหะนี้ยากเหลือเกินนะถ้าว่าไปนะเพราะฉะนั้นถ้าปุตุชนเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยถ้าจะคิดแล้วให้พ้นราคะโทสะโมหะคิดอะไรน่ยน ะ, นะคิดอนุสติเนี่ยที่จะพ้นจากราคะได้บ้าง คิดถึงพระพุทธเจ้ขาขณะนั้นพ้นราคาโทสะโมหะบ้างคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์คิดถึงศีลคิดถึงจาระเนี่ยนะคิดถึงอะไรถ้าอบรมสมถะวิปัสสนาก็คิดไปตามสมถะและวิปัสสนาขณะนั้นเท่นานั้นแหละที่พ้นราคะโทสะโมหะเนี่ยที่เหลือโอ้ยเขาทั้งนั้นเนี่ยนะนะบริบูรณ์เลยนะบริบูรณ์ด้วยอกุศล เพ่นจะต้องอบรมคุณธรรมเหล่านี้ให้เพียงพอจนว่ารู้ชัดว่าเราละแล้วนะทวนอีกครั้งหนึ่งว่ารู้ได้ยังไงว่าเราละราค่าได้แล้วหรือละโทสะละโมหะได้ไนะอะไรเป็นเครื่องวัดไม่มีสุภาณิมิตปฏิฆานิมิตและอุเบคานิมิตอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเรียกว่าพระอาหารย์นะแย่ไปตรงไหนเนี่ยนะให้ราค้าเกิดไม่เกิดนะนี สำนวนว่าตั้งใจให้เกิดมันยังไม่เกิดเลยนะเพราะอะไรเพราะตัดเชื้อเลยว่างั้นทั้งหมดนั้นเป็นคุณธรรมเครื่องอยู่ของผ้าหันนะถ้าใครที่ปฏิบัติแล้วทาปริญญาเนี่ยนะทปหานะแล้วก็ธรรมะที่ที่เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมก็ละธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งความเจริญก็ บำเพ็ญแล้วก็บรุธรรมะที่แทงตลอดได้โดยยากคืออริยว่า10ธรรมะเครื่องอยู่ของพระอรหันต์ประการเนี่ยนะประการทวนอีกครั้งก็คือละองค์5ได้แล้วคือนิวรห้ประกอบด้วยองคห6คือมีสติสัมปชัญญะในทวารหรักษาอย่างเดียวคือมีสติรักษาใจมีธรรมะพักพิงสีด้านมีสัจจะคือมิจฉาทิฐิเฉพาะอย่างเนี่ยมิจฉาทุกชนิดละได้หมดแล้ว ละการสแสวงหาการแสวงหาพบหมดแล้วไม่มีความดำริด้วยอกุศลสังกัปปะมีกายะสังขารระ ง, งับแล้วคือเข้าฌานสี่มีจิตหลุดพ้นแล้วจากราคะโทสะโมหะแล้วก็มีปัญญาคือปัจจเวกขณะยามพิจารณาว่าหลุดพ้นหมดแล้วไม่มีเหลือเลยเนี่ยนะฉั้นคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะถ้า ระลึกได้ทรงจําได้เวลาจเจริญอนุสติทั้งหลายเราก็สามารถที่จะเอาคุณธรรมเหล่านี้มามาระลึกมาพิจรนารณานี่ยนะธรรมะที่กล่าวไปเนี่ยนะเอามาจเจริญในแง่พุทธานุสติก็ได้นะทั้งหมดเลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะเหล่านี้นี่นี่ถ้าจเจริญพุทธานุสตินะถ้าจเจริญธรรมานุสติเจริญยังไงจเจริญว่าธรรมะเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสดีแล้ว ธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะถ้าผู้ใดปฏิบัติตามนี้ละราคะได้จริงละโทสะได้จริงละโมหะได้จริงอันนี้เรียกว่าการเจริญธรรมานุสติผู้ที่ปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนมีอยู่อันนั้นเจริญสังคานุสติเนี่ยนะก็เราก็จะทราบซึ้งชัดเจนในคุณพระรัตนตรัยมากยิ่งขึ้นนี้มาดูธรรมะที่ควรให้บังเกิดขึ้นเลยนะ สัญญาสิบนี้เป็นธรรมะที่ควรให้บังเกิดขึ้นแปล ว, ว่าต้องทําให้มีเลยะข้อแรกก็อสุภาษสัญญานะต้องทําให้มีขึ้นอสุภาษสัญญานี้แบ่งออกเป็นสองใช่ไหมที่มีใจครองกับไ ม, มไม่มีใจครองเนี่ยนะนะที่ไม่มีใจครองก็คืออสุภาษทั้งหลายเนี่ยนะซนะากศพขึ้นอืด ข, ขึ้นเขียวเป็นต้นเนี่ยส่วนที่มีใจครองก็คือผมขนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตเนี่ยนะนะพวกนี้แหละ อันนี้ต้องทำให้เกิดขึ้นเลยนอัศุภาพสัญญาอันนี้ซึ่งสัญญาอันนี้หมายถึงปัญญานั่นเองอย่างที่สองก็คือมรณะสัญญาแล้วลึกถึงความตายนะว่าไงสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยสัตว์ทั้งหลายจักตายด้วยสัตว์ทั้งหลายที่กำลังตายอยู่ด้วยความสงสัยในเรื่องตายไม่มีแก่เราเลยเพราะเราก็จะตายเนะีนะ่ยวันหนึ่งนี่ใครคิดว่าตัวเองจะต้องตายบ่อยไหม คิดบ่อยก็นุกโมตนาเลยนะเดี๋ยวนี้เราจะต้องตายแล้วนะเนี่ยจะต้องตายแล้วนะเนี่ยนะคิดอย่างนี้บ่อยๆนะถ้าคิดนี้บ่อยๆนี่ยเป็นเป็นพื้นฐานแห่งการเจริญวิปัสนาเป็นอย่างดีในฐานะสูตรนี่สอนให้คิดอย่างนี้เลยสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยก็คืออะที่มีอ่ะที่เคยมีอ่ะตายไปหมดแล้วแล้วก็จักตายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจักมีเท่าไหร่ก็จักตายทั้งหมดแล้วก็ที่กําลังตายอยู่ด้วย แล้วก็ความสงสัยของเราไม่มีเลยเพราะเราเองก็จะต้องตายเหมือนกันก็อานิจจาสัญญาก็ชัดขึ้นก็คือพื้นฐานว่าอานิจจาสัญญานั่นเองพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของขันหานั่นเองไอ้ที่ตายคืออะไรก็คือขันห่าแตกทําลายไปโวหารว่าสัตว์ตายก็เกิดขันห่าที่จะแตกทําลายต่อไป โหวหารว่าสัตว์จะตายจะเกิดขันที่กําลังแตกทําลายเนี่ยนะเรียกว่าสัตว์กําลังตายแล้วขันขันภายในเราเนี่ยจะแตกทําลายหรือไม่ก็ลแล้วก็จักแตกทําลายนะเพราะยังไงก็ต้องแตกทําลายอยู่แล้วเนี่ยนะมรณะสัญญาอันนี้ควรตั้งเอาไว้ให้ดีนะตั้งไว้ให้ดีเถ้านึกอีกนายหนึ่งเลยนะถ้าเห็นใครสักคนหนึ่งนะคิดมาบอกโอ้โหบรนพับบุรุษของเขาเนี่มีเหลือไหม ที่เขาไวไไ้ไปเส้นนะไปไปเส้นไปหงซุยไปอะไรทั้งหลายเนี่ยมีเหลือรกตายหมดแล้วแล้วอนาคตต่อไปนะั้นลูกหลานเลนของเขาเนี่ยจกตายไหมจะตายแล้วเขาอ่ะจะตายไหมตายคนที่คิดว่าตายก็จะตายเหมือนกัน น, น, นะนะ ก, ก็ยังไงยังไงนะคิดเรื่องตายยังไงก็ย้อนกลับมาหาตัวได้ไม่ใช่คนอื่นจะตายหมดจะอยู่คนเดียวง<ม>ั้นนะเราไม่ใช่นะ ว่าไอ้สาระสําคัญที่ให้พิจารณาคือไอ้ภายในเนี่ยมันจะตายด้วยทีนี้ถ้ารู้ว่าจะตายเนี่ยถามว่าอะไรเป็นสาระบ้างเอาคนหาสาระนะศีล ส, สาระบริบูรณ์แค่ไหนสมาธิสาระเนี่ยบริบูรณ์ขนาดไหนปัญญาสาระเนี่ยบริบูรณ์ขนาดไหนเพราะข้อปฏิบัติจริงๆอยู่ที่ศีลสมาธิและปัญญาตรงนั้นคือสาระเนี่ยนะมันถ้ามีสาระอย่างเต็มที่ก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ อันบรณสัญญาเนี่ยควรตั้งเอาไว้อย่างนี้ให้บ่อยๆตั้งให้มากๆเรียก ว, ว่าทั้งเครือส่าบัรญชิดนให้พิจารณาให้หมดเลยว่าเราเนี่ยมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงความตายไปได้แต่ถ้าหากว่านึกเฉยแล้วไมได้ไปกระตือรือร้นอะไรืแสวงหาจะีก็ดีทานก็ดีกดอเ อ, อไหนๆก็ตายแล้วไหนๆก็ตายไหนๆก็ตายแล้ ว, ล ว, ท, ลวทุเรียนก็ยังอร่อยนะก็กินไว้ก่อน <ไ>ออันนี้มุ่งกามอันนี้ก็ไม่ใช่อยู่แล้ว <c oughs> คิดแล้วแม้ดูแม้อาหารก็อร่อยไปหมด <c oughs> อันนี้ไม่ใช่การเลยนะ <c oughs> คืออันนี้เป็นสังเวกขวัตถุเมื่อคิดแล้วก็ต้องเป็นเหตุใกล้ของความเพียรเจริญพันธกระตือรือ ร, ร้รนที่เพราะว่าความเพียรนี่มีมีสังเวกขวัตถุเหล่านี้เป็นเหตุใกล้ พันผู้ยิ่งมียนิจจสัญญามากเท่าไหรนะสัตทินรีมันจะมีกําลังมากขึ้นปกตินะผู้ที่มีหรือผู้ที่เจริญมรณสัญญาณนิจจะสัญญาณนะพวกนี้ศรัทธานในพระพุทธเจ้ามากเพราะว่าให้ตรงอ่ะนะเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้หาทางออกเพื่อให้พ้นความตายก็คือตายกับเกิดมันไกลหรือใกล้กันใกล้กันอ่ะนะเพราะว่าไอ้เกิดมันคือต้นเหตุของความตายเพราะฉะนั้นซาบซึ้งในพระพุทธเจ้าผู้พ้นจากความเกิดแล้วเนี่ยนะ พันก็ทำยังไงที่จะบำเพ็ญกุศลให้ให้แทงตลอดธรรมะที่พระองค์สแสดงให้ได้พันพระองค์จึงสอนเวลาให้พิจนารณามรณ า, านุสติเพื่อที่จะได้อ่ารีบทำความเพียรให้เสร็จก่อนที่จะตายจริงๆเนี่ยนะเพราะไอ้ตายจริงๆเนี่ยมันไม่มีใครพ้นอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยันคิดแล้วก็เฉ็มตามเดิมนี่ก็ไม่ใช่ก่ อ, อนหงเอออใไหนจะตายแล้วไอ้ย่ยังไม่ือไปเลยอก็รีบรีบไปให้หมดเล กินเลยอืมถ้อเดี๋ยวควรจะไม่มีที่นอนเราไปซื้อเท่ไว้ไว้ฝังนะอืมใช่ <c oughs> ก็ใช่ว่าผิดอยู่แล้ววันนั้นโดยมากก็กลมอุจเถรเป็นต้นนั่ะแหมถ้าเราตายแล้วต้องไปอยู่กับร่างกันที่ตายแล้วไอ้ร่างเป็นๆ น, นี่ก็ยังอยู่ด้วยยากขนาดนี้เลยนะก็ไปอยู่กับร่างตายมันจะเดือดร้อนขนาดไหนโอ้ คิดดูนะร่างเป็นๆ เ, เนี่ยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็นั่นๆแล้วก็ไปอยู่กับร่างผุๆอย่างนั้นจะขนาดไหนนะโอ้คิดไปก็จริงๆอาจจะได้ไปอยู่กับร่างนั้นอะนะแต่ว่าอยู่ในคราบหนอนหรือว่าเป็นอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วนะไปกัดกินไอ้ผุๆนั่นแหละคือถ้าติดมากก็ก็ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะติดข้องมากอนะก็เป็นผีเฝ้าร่างนั่นแหละร่างเป็นๆ น, นี่ก็ดูแลยากอยู่แล้วใช่ไห้ร่างตายอีกจะดูแลยากขนาดไหน สุนักมาแย่งกันนี่ไม่โกรธสุนักอีกยุ่งเลยนะแล้วก็คิดเรื่องเจริญมรณานุสติให้มากบอกว่าถ้าคิดถูกนะไตรสิกขาจะต้องดีขึ้นเนี่ยนะนะเพราะสาระมันอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าคิดผิดแล้วนะบริโภคกามมากขึ้นเนี่ยนะนะอันนี้ผลที่วัดว่าเจริญถูกหรือเจริญผิดนีนะนะนี้ต่อไปว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยนะนะว่าสาคัญว่าความปฏิกูลของ อาหารก็ปฏิกูลตั้งแนวไม้บ้าง<ม>การสแสวงหาแต่การไปก่อนนะการสแสวงหาการบริโภคการอะไร<ม>อันนะีกับไหลเข้าไปในที่กับอาศัายะนะ่ยที่อยู่อาหารที่ยังไม่ย่อยย่อยเสร็จแล้วออกมาเป็นผลต่างๆเนี่ยนะที่มาเลี้ยงกายไหลมาเข้าทวารหนึ่งออกทวารเก้าันนะี้แล้วก็ที่แปดเปื้อนทั้งหลายเนี่ยนะ ก็พิจารณาโดยความเป็นของปฏิกูลเหล่านี้อาหารเรปฏิกูลสัญญาณนะถ้าใครบอกเข้าเจริญมากเท่ากับบอกว่าเข้าเจริญกายยานุปัสนามากเน่ยนะเพราะผู้ถามว่ากายเกิดเพราะอะไรเกิด<ม>เพราะอาหารเกิดถ้าใครพิจารณาอาหารเรปฏิกูลสัญญาหรือพิจารณาอาหารมากเนี่ยเท่ากับบอกว่าเข้าเจริญกายยานุปัสนาบริบูรณ์ถ้าเจริญตามนั้นจริงๆเขาต้องละราค้าในกายได้ถ้าบอกว่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องวัดในตัวเลย อาเลมาให้ดูโครงของเรานะะอวจริงๆอืมสาทุกเาว่าขอโทษจมันยังมีอุจาระค้างอยู่ในเสีมันก็เห็นนะอ้าอ้ามันก็จะไปเหลือได้ยังไงมันก็ค้างอยู่แล้วก็ใช่แต่ว่าเราทท้องผูกอะไรนะเรานด้ว่กไม่เป็นไรฮตอนแรกไม่ได้สนใจอืมจริงก็จูด้วยกันด้างนานเพิ่งนึกได้อืม หนึ่งนี้ก็อยูหนึง่งรดได้ที่ไหนเขาเติมไปเรื่อยเติม ไ, เตมไปเรื่อยเหรอเนี่ยมื้อเช้าก็เติมมากังวันก็เติมมื้อเย็นก็จะเติมมาที่ไหลก็ไหลออกไปที่เติมก็เติมมาเงี้นะเกี่ยวกับเรื่องทวารทวารอาหารเนี่ยนะมันปฏิกูลจริงๆนะทวารที่ปฏิกูลมากหมอถอนฟันทีปฏิกูลทีหรือเปล่าปฏิกูลเลยนะครับแบบคนไข้ไม่ได้แปลงฟันไปหาหมออะไรอย่างเี้ง หมอเป็นลมนด้ยังไงอยู่มาตั้งนานแล้วถอนมาเป็นแสนส่แล้วบอกจะเป็นลมงั้นถ้าคนไม่เคยไปก็ยังชั่วเนี่ยจริงหรือปะว่าคนส่วนหนึ่งที่เป็นโรคฟันก็บางคนก็ไม่อยได้แปลงฟันอะไรสักเท่าไหร่ ก็แล้วแต่อีกเหมือนกันนั่นแหละแล้วแต่อยู่โรงพยาบาลไหนคนไข้ระดับไหนมาอยู่กันนะคนที่ว่าไม่มีกลินลน่นนั่นแหละก็ไม่รู้หรอกกลิ่นมันยังมีอยู่คือไอ้คนไม่รู้กลิ่นเนี่ยตัวเอาเถอะตัวเองเนะจะเหม็นตัวเองมั้งไหมไม่ค่อยมีคนที่รู้สึกเหม็นตัวเองเนะ่ยหายากมากแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเหม็นตัวเองได้เมืมม่ อ, อไหร่ก็โอ้โหใกล้ดีไปได้ดีไปเยอะแล้วนะเนี่ยเพราะว่าไหนเนี่นคือรู้ นะคือถ้ามีตั้งความตั้งใจยอมรับในความเป็นของหน้าเหม็นของตัวเองจริงๆนี่ก็ก็อีกไม่นานน่ะสามารถจะทําที่สุดแห่งทุกได้อะแต่ก็ก็เขาว่าเหม็นนเขาเาเหม็นเหม็นไปตามนั้นแต่ไม่ได้ใส่ใจจริงๆอ่ะนะคือยอมรับสภาพจริงๆว่ามันเป็นสัตว์ก็เรียกว่าพระองค์ต่างว่าไงนะสัตว์สองเท้าเป็นสัตว์มีกลิ่นเหม็นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆแล้วถ้าใส่ใจแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาจริงๆอ่ะนะ ก็คือการเจริญทุกขานุปัสสนานั่นเองนั่นแะแต่เขาว่านั่นเปของใครอื่นก็ไม่เป็นไรนะแต่คือของคนอื่นที่เหม็นเปื้อนก็เหนือยทนแต่ของตนถึงแเนื้อก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ยอมรับในความปฏิกูลจริงๆไงนี่ยงก็แก้ไปแก้ไปใช่ก็ก็คือปกปิดไปนะตรงไหนมันไม่ดีก็อาบล้างมันไปอะไรมันไปเนี่ยไงแล้วรอยพักมันก็ซึมมาใหม่นี่ต่อไปนะว่า กำหนดหมายว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงเนี่ยนะสัพพะโลเกนะพริรตสัญญาเพื่อจะละอุบายและอุปาทานสี่อันเป็นเหตุตั้งมั่นและเป็นอนุสั ย, ย, ยแห่งจิตก็คือด้วยการงดเว้นไม่ยึดเนี่ยนะทยังไงที่ไอคำว่าสัพพะโลเกนะพริรตสัญญาเนี่ยไม่เข้าไปยินดีด้วยอํานาจตันหาไม่เข้าไปยินดีด้วยอํานาจทิฏฐิ ไม่มีอุปาทานสีกามูปาทานที่ถูปาทานศีะระพตูปาทานอัตวาทุปาทานในอุปาทานขันทั้งปวงเนี่ยนะพันคำวสัพพะโลเกนะพิรตตาสัญญาเนี่ยไม่ตั้งตันหามานะทิฐิเข้าไปยินดีในขันทุกชนิดเห็นไหในอุปาทานขันทุกอย่างไม่น่ายินดี น, นะไม่น่ายินดีด้วยอํานาจของตันหามานะเละทิฐิเดี๋ยวนะแล้วก็บอกว่าส่วนอันนี้จะสัญญานี่นะก็บอกว่า อึดอัดเกลียดชังสังขารทั้งปวงเนี่ยนะก็คือไอ้สังขารที่ที่ไม่น่ายินดีนันน่ะก็เป็นของที่ไม่เที่ยงงแล้วก็คี้ต่อไปว่าไอ้สิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นอนาตตา น, น, นะก็ถ้าจเจริญมาได้ตามลำดับอย่างนี้เนี่ยนะปหารสัญญาจะเป็นไปได้ไหมไไก็ที่จะละาอากุสลวิตลาากละอกุสนธรรมทั้งปวงในสิ่งเหล่านี้ก็ก็ทำได้ ทีนี้ถ้าละอกุศลวิตกเหล่านั้นเนี่ยนะความกําหนัดในอารมณ์เหล่านั้นจะมีไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความกําหนัดนะวิราคะและก็นิโรธะทั้งสองอย่างนี้ท่านอธิบายเป็นนิพพานทั้งนั้นเลยในอังคุตรนิการทศกันิบาตเนี่ยนะโดยเฉพาะอาพาทสูตรเนี่ยกล่าวถึงสัญญาสิทธิ์เนี่ยเป็นชื่อของนิพพานทั้งนั้นเลยทั้งวิราคะสัญญาปนิโรธสัญญาว่า พิจารณาดังนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบนั่นประณีตคือธรรมะที่ระงับสังขารทั้งปวงธรรมะเป็นที่สลัดคืนอุปธิทั้งปวงธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาธรรมะเป็นที่สำโรกกิเลส ธ, ธรรมะเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ถ้าพิจารณาให้ดีเนี่ยนะข้อหนึ 8, ่งถึงข้อแปดเอขอไปข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดเน้นทุกขสัตว์ข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดนะเน้นทุกขสัต ข้อ8เน้นสมุทรไทยสัตว์ข้อ9ข้อ10เน้นนิโรธสัตว์อ้าวแล้วมรรคสัตว์ไปไหนหายไปไหนมรรคสัตว์คุณเวลาวันเออหายไปไห น, นไอ่ะอ๋อเลอะว่าไปเรื่อยไหมอยิ์พินมรคหายไปไห น, ไอ น, น เ, เออ ข้อหนึ่งถึงข้อเจ็ดเป็นทุกขสัตว์อ่ะข้อแปดเป็นสมูทัยอ่ะข้อเก้าข้อสิบเป็นนิโรธน้ำมักไปไหนอ๋ออยู่คนละข้อเน่หวยไล่ไปคนละข้อเลยใครยังไกสอนมักอยู่ข้อไหนเนี่ยอ๋อถ้าได้นิโรธก็ได้มักคนอื่นอีกตอบจนกว่าจะพอใจอ่ะคุณแม่สิพัน โอ้ได้ฟังอยู่ยหรือเปล่า ไ, ไม่รู้ฟังนะคนุณชุกินมักอยู่ข้อไหนอ๋อคนอื่นเอกเป็นไงบ้างคุณโจมข้อไหนเป็นมักถึงสามแล้วก็ไม่จำเป็นต้องสามถึงอ๋อไม่จําเป็นนะคือตัวสัญญาณนะนะั่นแหะเป็นชื่อของปัญญาเนี่ยนะปัญญานั่นแหละเป็นมักเนี่ยนะนะเพราะตัวที่มาทํากิจพิจารณาทุกอันนั้นก็เป็น ปัญญากิจที่มาละสมุทัยก็เป็นชื่อของปัญญาตัวที่ทํานิโรธให้แจ้งก็เป็นชื่อของปัญญาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ตัวข้อปฏิบัตินั่นแหละคือปัญญาอยู่แล้วเนี่ยนะคือปฏิบัติโดยมากําหนดรู้1อสุภะมรณะอาหารปฏิกูลโลกไม่น่ายินดียนิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะปัญญาที่เข้ามาพิจารณารอบรู้อันนี้เป็นมักที่เข้าไปทําปริญญาฉะนั้นตั้งแต่ข้อ 1- ถึงข้อ7เน้นปริญญากิจ เน้นปริญญานะปริญญาโดยเฉพาะตีระปริญญาข้อ8ก็ปหานะปริญญาส่วนข้อ9ข้อ10ก็คืออารมณ์ของอริยมรรคนั่นเองแต่ในเบื้องต้นก็ให้มีแนวความคิดนะถ้าใครเจริญตามนี้ก็คือจุดมุ่งหมายก็ต้องการข้อ9กับข้อ10ใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่ถ้ายังเออกายนี่งามอยู่อีกนานอาหารก็อร่อยโลกก็หน้าเพลิดเพลินมันเที่ยงหนะ้ามันสุกมันเรานะ ถ้ายัางงี้นีจะละไหมก็ไม่ละถ้าไม่ละแล้วจะเบื่อหน่ายคลายกําหนัดแต่นะโดยเฉพาะจะคลายกําหนัดจะดับไหมก็ไม่ดับเพราะปัญญาที่ไปทํากิจทั้งหลายที่กล่าวไปนั่นแหละเป็นการเจริญอริยสัจเนี่ยนะเป็นการพิจารณาอริยสัจนั้นปัญญาที่มาทำกิจอันนี้เรียกว่าสัจจานุโลมมิจฉาเนี่ยนะอนุโลมต่อการรู้อริยสัจนะถ้าเจริญตามนี้เชื่อปิดอบายเนี่ยนะเนีย่ยคาถาการอบายนะใครจะท่องแล้วท่องไป สุภาสัญญามรณาสัญญาหาเรปฏิกูลสัญญาสาพธาโลเกียณาพิรตตาสัญญานิจะสัญญานิเจทุกขสัญญาทุกเถรณาตาสัญญาปะหานสัญญาวิราฆาสัญญานิโรธสัญญาเนี่ยนะไม่ใช่ท่องอย่างเดียวนียแต่แต่ท่องก็ก็ปิดได้เยอะแล้วนะถ้าเจริญตามนั้นด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เลยเดี๋ยวช่วงนี้ปิดพักสักนิดก่อน